ผู้ภาณอาารมหาบัวแสดงพันขั้นกลงสงวันวันจบคี่ศาลวิเศษประทาคลทั้งทางห้า้ที่ักสาม้านตปังหัดอีเดพันส้างองคึเด็ดมิห้ค่าแก่านน่ะบ้ก็ดี บรรดาสาวท้งหลายนำไปตัขนาดเนื่อนไปเพื่อความเพ้่ทุกข์โดยดีนำไปเพื่อความตื่นแตตทางยนผ่านเราเเห็นหน้าบรรดาสาวทั้งหลายที่ดูเบือดในขความเกลด้ว่า แม่จะแอบจากประทูมใหลายๆทัตามไม่เคยมีความเกี่ยวทางเงินในประทูนทข้งตนในเลื อ, อดตับสมบัตเลยวะความเม่งความมีที่ติ้มาแนะที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในขคงนของฉัด้วย เมื่อเลยออกจะตึงยานเป็นเป็นเสาของกระจุกไปไแล้วมีความมุ่งแต่การเพื่อแต่ความผ้าความเพียรโดยไม่คำนึงถึงอาหารไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ว่าจะเป็นความสะดวกหรือไม่แค้แต่ความ ให้เป็นไปเพื่อความเ่อหลือในการเพื่อขอความาคความเพียรเ ท, ทานั้นายทังหลายเป็นที่พอใจจิการงานในเช่นนั้นรู้สึกว่ามีแระแค่ติดการงานที่จะเป็นไปเพื่อความเกิดเครื่องที่เหลือเครื่องทางบนภายในใจิตใจเดยถ่ายเดียวไม่ ใ, ใครจะมีจิต คแสงเข้ามาให้เป็นการตงคนเหมือ น, น, ยนอย่างสไหมทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนๆจิตที่แฝงแต่ทั้งๆที่ได้อบะดีคือิตพามือได้สอบทำงานในที่น้างนก็นดี แตเกิดว่าถือเป็นจุดสำคัญยิ่งกว่าจุดไทยในการชำน ะ, ะสระชางที่หลวงพ่อพาคุณได้เลิกประกอบกิจการงานไทยมากมีการก่อร่างสร้างรับสร้างวาสร้างสุสี่มีห า, หาเพระอารงธรรมจิดแต การ ง, งา น, ก, าานกับประชาสังถือว่าเป็นประชาได้มากอะไรถือว่าเป็นเกียรคถือว่าเป็นความดีความชอหรือว่าเป็นประโยชน์ของศาสนาที่็นจะทาได้และถือว่าเป็นมคนงคลของศาสนาที่ได้กันเมื่อตนก็นี จิตที่จำเปดนต่นเป็นิที่ทรงแก่ทรงนุ่งประสงค์พดีที่สารหลายขั้นในดั่มาดํ่เนินมาคาดัเนินมาพอดีเรื่อเป็นเถิดให้ได้ลุ่มในทางภายในคือหลักศีสมาธิตัณห์เรื่อแม่เปนไปแค่ความเป็นผู้มีสีบรยสุทธิ์ไม่เปนไปเพื่อความเป็นคู่มีสมาธิ ค, คือความต้องหัดไปโดยลำบากจึงแม่เป็นไปพื่อความเจริญสละไว้ชิดปัญญาที่จะถอดถอนตนทั้ตงตนเพื่้นจากจิให้สมกัว่าตนไม่เบือดมาในพระัาสนาจนสิทั้งไรขาทุดเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงดำเนินมาอย่างนี้เมื่อจิดการหรือหน้าที่ ทังทังที่เป็นนักเกลือดด้วยกันมีความแตกต่างกันอย่งางป่างกันอย่างนี้แล้วผลที่จะเป็นเรื่องรัดก็ต่างกันครับโดยจะกลายเป็นเรื่องของทศกัณาแ ส, ส, าสงเรื่องแบบคำว่าทั้งถาภวปรบุตร ป, ปัญนาที่ละนั้นในทั้งเซอเง่เ็น ถ้าตนดีนี่แค่ใจว่าคงไม่เป็นครรมปฏิละเติมเติมบอเกิดของคาอง ว, งวงคามขงางลนสตนมบอเกิดให่งความกระทุดตเคี น, นของบรรดาตถาทถาชนทั้งหลายื่อให้จติตใจขึ้นถนับเสน่นเพื่อธรรมปฏิละนั้นคงเติมใจแพร่ประมันแพ้่อยูอ่แพร่นนเติมแพไป ไม่ถึงกัดว่าเป็นเบื้องให้กระทกรเทือนจนกระทงถึ ง, งบางลายในจมนะของไหลนเอ็นว่าเกิดว่าเป็นความจะกระทกระเทือนจนเิดทนทั้งจนให้หักในทงแต่ต้องถึงกับต้องได้รับความประหาลินพาจากประชาชนว่าไปที่ไหน เจื่ออะไรแผ่ก็ตุบตะกใจมาเรื่อยๆจนกลายเป็นอาชินหรือเป็นวิสัยของท่านที่นั่นความเรีรารุดได้มาจากสถาญาตเดินทั้งหลายนั้นเพื่อก่อได้มาเพื่อการก่อสร้างจิงจนตระดูกาแท่น่ะแต่ท่านมาันน า, นานมา อกกระไไปว่าได้มาเพื่อตัวฟังสสงขึ้นเลยเอบอ้างการขอข้างตปนเล่บบางหน้าคนออนั้นคู่นี้คือแทนที่จะทำกระสับกระนาให้เจอนๆๆๆี่เดียวจงกายเป็นคู่หยยบแยัมกระสับกหน่ในขนาดใหย มีการดำเนินของพระศาสนาตั้งแต่สร้างองค์สมเด็จพระภูมิเจ้าพ่อเ่าและสาบวกทั้งหลายท่านยังดีเมื่อจะมีทันตพิละเต็มคู่เทียงกันมาตัดวิพัฒนาพิระเทายงผู้แสดงหน้าบักนี้เข้าใจว่าคงไม่ถึงจัดเปนกางจะทดตะเกียงและเป็นจิตจําเป็นจนเหลือประมาณเส้นอย่างคู่หวัง มายทุกวันนี้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของภศาสนาเจแล้วเมื่อถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของภศาสนาก็แสดงว่าถือด้านวัตถิเป็นของสําคัญเต็มเรื่องระดับหรือเป็นความจริงของภศาสนาเป็นขวงอัตจรรของภศาสนาเต็มตั้หาลาทธิของศาสนาโดยส่วนใ่เลยหักความจริงที่พระพุทธเจ้า สแสดงว่าต้มจิงที่จะยังจะชาติหรือทุตบบริษัททั้งหลายให้เห็นจางจริงจังนั้นได้จะเอวเยอแต่จะทำทั้งสี่คือทุกสมุทไทยนี้เนะลิศนะเลเข้าเส่อมศูนย์ดยอัดเทาไคโดยไม่รู้สึกปว มีบรรดาเรทั้งหลายขึ้นเป็นนักปฏิบัติไนแล้วควรจัดแรงหักเรื่อง น, นี้ให้เนอนแฝงในติตใจทั้งตนอย่าเป็นผู้ลืมตนในปฏิปทาที่จะเป็นไปถูกต้องจำแนวทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาดำเนินมาหรือม่ าำ ง, งานเมื่อเราเริ่มทำเร็ในทันใดคนก็ต้องปราบบุตรเป็นเครื่องตอบแทนทุนงานอยานะ่างนั้ทงานทางด้านภายในยคือสีลสมาธิทันงอยา่างถ้าเราถือเป็นข้อหนักแน่นถือเป็นจิตสำคัญเชื่อนเองัมเด็จพระคู่มีพระธากุเจ้าพ า, า, านเมนมาแล้ว สื่อจะไม่เป็นไปพเพื่อความเบจิตในเพื่อรทั้งหลายอย่างไรนะั้นกามพิก็ต้องเป็นไปเ พ, พื่อความสงบสัญญาต้องเป็นไปพเพื่อความเสียวฉลาดฉลาดตรวจ้าปัธรรมที่เชงเจ้าสงศ์ได้แล้วนั้นไม่มีเต้มมเนไม่มีกายเต้นมัตติมาปติปทาดิแทลสิลาเมื่ อ, อ, อเชอ เพื่อศีลอันเลานทางหรือเรือเหลือนใไปที่ไหนแม่จะไปเรือเหลือนอยู่กับผู้ที่ไม่สนใจใครที่จะปฏิบัติเพื่อศีนลสมาทธิปัญญาให้เกิดขึ้นภายในตนเทนา่านั้นหลักสำคัญมีอยู่ที่นี้เพราะฉด น, นั้นกาปรปฏิบัติท่าทางา ความเคลื่อนไหวทั้งกายวาตาใจทรกอย่างทั้งหมดจะเคลื่อนไปอย่างใดก็ตามแค่ได้ทํานึ่งถึงเรื่องพระอกราชยาด้วยฤกษ์มรรมาภิอฐพระเจ้าขึ้นเป็นครูสอนเลิกนั้นเป็นครูอยู่ตลาดเอียดทั้งสี่หน้าจากนั้นความเคลื่อนไหวทังกายาาวาตา ยอมเป็นกาตาาของสัตว์หนูตายในเมื่อดันดาจับข้าวมีความเตืนใจใกล้ต่อการศ <ock> ึกษาจากเระองค์ก็แล้วผู้ที่ได้มาเห็นมาได้ยินจับพระองค์เจ้าคือแสดงอาการเคลื่อนไหวทุกทุกอาการนะจะเป็นทัติเคลื่อนเตืนใจของบรรดาท่านผูงทั้งหลายเพ่อรับประอยชนเโดยเชื่อากัน และมากนา้อยขึ้นดูจักความสใจต่อการศึกษาจากพระองค์าและขึ้นดูัากัญานี่พุนคือจะนำความเสื่อนไหวนันออกจากความเป็นากร า, าของพระองค์ามาเป็นคือถอนันคาว่ากากนาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเชื่อระดาษประกาศศาสนาแนะนาขัน้นถอนประาถนเท่านั้น ยังเป็นศาสตาทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวถ้งเจ้าม่เคยเคลื่อนไหวในอาการใดๆให้ผิดจากความเป็นพระพุทธเจ้าจะเคลื่อนไหวมาทางจินยามายาทุกทุกๆๆๆอาการเรื่มแนี้ตั้งแต่เป็นประโยนสำหับมรนดาจักทั้งหลายและเป็นเคลื่อนประกาศองค์เจ้าว่าอาการทั้งหมดนี้เิ่มอาการออกจากศาสตา ก็คืออาการแห่งศาสนาน่าจะคือของโลกนั่นเองนี่ขอ ง, อ ง, งขอให้มันนาเราทั้งหลายได้คำนึงถึงความเคลื่อนไหนทั้งเราเสมอัปการอื่นของเราทั้งหลายเป็นแค่ว่าเราอยู่ เป็นห่เป็นกลุ่หรือเกี่ยวกับสังคมมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่อยู่ันเดียวไม่ได้ต้องเกี่ยวกับสังคมเสมอเพราะต้องคิดถึงตัวเสมอว่าคนลราทุกทุกคนยอมมีการเข้าตัวเสมอไปแต่สำหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเข่ากับหลักเหตุผลเมื่อเราเป็นจุดพระปรเทับได้ ต้เป็นผู้หนักในเหตุผลคือเป็นผู้สนใจเครื่องแต่หลักเหตุผลถกต้องหรือไม่ถูกคนทำลงไปพลงใจคิดลงใจถกกับหลักเหตุผลคือทำของวัตถุจ้าหรือไม่อย่าเอาเป็นทั้งเป็นแต่เป็นผู้มอำนาเหนือเหตุผลนั้นจะเป็นความิดและจะเนเหตุให ระคตเตียนแต่สองคนคือหนุ่มเชื่อนื่องกันคุดต้องยอมรับว่าผิดเธกต้องยอมกำห น, นงว่าผูกและยอมที่จะต้องปฏิบัติตามอืหลักของผูป้ปฏิบัติเพื่อจะเตินใจให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง แม้ต็ม้งตมและ้ต็มก็หยุดแจกคาเต็นที่ส่วนแบนงแล้วงต้นผู้มีคาตล่าประจำความเคลื่อนไหนทั้งต็มคุกหลักคาสตาลาคือหลักเหตุผลนั่นเองถ้าเราเอาไรเข้าไปรวมคข้าในจิตกานไหนเองทราบวาจดการนั้นๆ จะไม่สำรเร็จเร่ยแร้อยไปแ้วความมีเหตุึลแต่จะเป็นไปด้วยความสะเทืนอนเพราะเหตอของการเข้าตัวเสมอไปในนิสัยของบุงๆๆคคลตนนี้เราเป็นนักปฏิบัติองเป็นนับมีเหตุผลมีกาณาจาประจะาอิบ คือต้องใช้เกลือนในจิตกางงานของเราที่ทําที่ถืกที่คิดที่ไปมาให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาที่สอนไว้เราจะเป็นคู่มีความเริ่มเย็นทางในใจทั้งหราด้วยและเตินไปเพราะความริ่มเย็นทั้งหลักมือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันด้วยจะทำประกาสนาให้เกลื ตของเราเกี่ยกือเทีเหมือนกันสมาธิปัญญาก็เกี่ยวกับือเ่เหมือนกันเนราดูกับมือเที่ต้งพูดพูอไม่ถูกทางแติดี้นของเรพูดเกี่ยวข้งกับมือเที่ยงไม่ถูกทางกตจะเหนื่อยไม่เกิดความแข็งบนทําลายสมาธิของเราให้หมีความเหนอไม่ เนห่เพื่อนทำผิดหรือถูกตามความรู้สึกทั้งต่ดหรือตามความเข้าใจทั้งต่ดหากปัญญาไม่ว่าพลาดในการเห็นในการละวินอาการแห่งการจะทําหรือการพูดของคนอื่แล้วแทนที่เขาจะเป็นคนผิดเราต้องกลายเป็นคนผิดเพื่อคอื่นเพราะนั้นเรื่องสิ่งจดีจะมาที่กดีปัญญาก็ดีทดี่เกี่ยวกับสังคนหรือหมู่เพื่อน อันเปทนเหตุคือการทำตัวของเราให้เสียมีทางมีได้อย่างนี้ของเราทั้งหลายได้นาหลักเหตุผลไปตั้งไว้ที่หัวใจของเราขับไล่ทำที่ว่าเราออกเสียจากที่นั่นให้ยังเหลือตั้งแต่หลักธรรมตัวเหตุผลไว้ที่ใ ครูน้่งไปที่ไหนมาที่ใดดีที่ใดจะทมจะเป็นทีเร่มเย็นของตนเองแม่หมูเพื่อนข ม, มุกนาที่เกิดความทะเลาะเบาแวงเมื่ อ, อจักเอาเราเข้าไปตั้งไว้บนเสื่อตัดหรือเเราเข้าไปตั้งไว้บนหลักเหตุผลสิทธรรมของพระพุทธจาเมื่อเอาเราซึ่งเป็นเัวลเลนเล้วนเข้าไปตั้งไว้บนหลักเหตุผลอันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว หลักตสัจธรรมนั้นก็ไม่มีอำนาจแต่ก็ตกระจายไปแบบหัวใจของเราือตั้งแต่คำว่าเราซึ่งเป็นแเลิ์ลุ่มเวียนขังอยูกับจิตใจของบุคคลขึ้นเมื่อละมาออกจากความว่าเรานนั่แล้วหรือเพระนามเป็นเหตุเป็นผู้มีอำนาจมัน ได้ลาออกมาทางกิริยาเมรยาทำผู้ทำาจึงเป็นเหตุให้ผิดให้เกิดเพ้อตะเกื้อนให้เกิดความทละเบะแว้งนางลายถึงข้ากันตีกันทีดหายเรื่องจุนเตี้ยตีลาเห็นู่แต่หน้าต่อตาแม่ยิงอยู่โดยหูทั้งหลายทุกทุ่งม่ว่าแม่รักในรักแทบเกิดสัง ความถึงเต่ดเกิดเราเป็นของสำคัดผู้หวดในทราศาสนาจึงต้องจนผู้ถือหลักเหนือถึงเป็นสำคัญและถือยิ่งกว่าหัอใจถือยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของเราซะอีกแม้ชีวิตจะจิตหายาตายไก็ตามขอโดยสังไวยซึ่งทำคือหลักเหนดอถึงของพระพุทธเจ้าอย่างสมบู ผู้นั้นแลเป็นผู้ทู่จะยังประักษ์เให้เจริญดีเยี่ยเมื่อตายไปแล้วร่างกายแตกสลายจิตสัทธจิตวิสุนต์ก็เสื่อมภูให้คจามประยุทธ์ทุกเสียงทุกเสียงเมื่อเสื่อมสุนตันตะทานแต่ตามทั้งตะทานร่างกายเพื่อนบางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวตาตสาากตลอดทั้งภูบาอาการผู้กล้าสดที่อดีงามรวนแน่ทั้งแต่พันเพินพุ่นหนักใัเหตุผลหรือหลักธรมะเป็นเจ้า คลองหัวไม่ได้ถือเราเป็นกด้ครองหัวใสเส็นเต็มที่กราบไหวคารวะบูชาของเทวดาลัมนทกทั้งหลายอย่างแน่นสนิทมากยางเต้นเด็ดเต็มปากขวบเราทั้งหลายซึ่งเป็นคือแต่ตัางหน้าดำเนินตามเนตทางสาบกขององค์เต้นเด็จแค่ถึงแค่ภาเจ้าึงสำเน็จเต็เสมอ และเพิ่มทำจิตใจของตนให้มีกาละเลาคือขีความดีตลอดเวลาส่วนอยากเป็นทราบว่าเป็นหน้าที่ของขีเราเป็นขีจาเป็นที่จะต้องเตือนสิงัวหมองคือขีทาเพราะว่าทั้งส่วนอยากส่วนแลางส่วนละเอียดออกจากกายวาตาใจั้งเรา อะไรเล่าเป็นเคื่องที่จะทำหน้าสื่งอย่างนีน้ก็คือศีลสมาธิคันยานเมื่อเป็นเช่นนั้นทำทั้งสามประเภทคือศีลส ม, มาธิคันยานเราจาึงควรถือว่าเป็นของจำเป็นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องพยายามอดเตรมรักษาให้สั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นในกายมาคาใจของเรา ศีลจะมีความบริสุทธิเนื่องจากเป็นผู้มีขันธพะคืออุิศาต ท, ทั้งสี่และขันธพระแค่เ้ิ่นแ้นผู้พอใจในการนักษาศีลทั้งหมดใอิปน้าละอาใจในการนักษาศีลจะเป็นศีลข้อใ ด, ดก็ตามที่พร่องเจ้าสรงมอบไว้ ให้เป็นหมัดของเราแลวเราน้ำมรับได้ความเป็นอกเป็นใจใกล้ต่อกาจรจัดประพตปฏิบัติรักษาศีลของเราให้เป็นไปเพความบริสุทธิ์ทุกๆข้อมีเรียกเทันพระความพอวิิยะพยายามรักษาดีสเสมอทั้งที่แสงที่รับตลด อ, อดียาบททั้งสี่ ไม่มีความลดละในทางความเพียรที่จะต้องพยายามว่าฝาดีให้เต็มใจเพื่อความบริสุทธิ์บริบูตุตระแทนเพื่อมีความฝักใฝ่เสมออย่าทำจิตท้องเต็มให้ห่างไกลจากศีลแล้วระมัดระวังรักษาศีลเพืนเดียวกันกับเราละาาละังบัตแผลที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหับ ไม่ินในมา ก, กระทบหรือรักใรักษาสิ่งที่มีคุงค่าในมั่งของลักแม้พันเพื่อมวเกิกียดขันแม้ชีวิต ก, ก็ยอมสสีบได้เพื่อถนหมเพื่อเกิดนังหรือมังษาต้องเป็นเพื่อมีความแค่เดียวแคะคือเรื่องของปัญญา อิทธิบาททั้งสี่นี้เป็นหลักทำคือจะทํำบุคคลที่มีความไข่ต่ออิทธิบาทนี้ให้ได้กล้าไขกูความเจริญตัง้งแต่ขั้นต่ำเป็นถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตานิพพานแย่งจากอิทธิบาตทั้งสี่นี้ไปไม่ได้เพราะนั้นจึงเวรียมพะเจ้าได้ว่า อิทธิบาทั้งสี่นี้เป็นนาคเาาของพระกาศพรนามด้วยเป็นนากเงาของเลกที่แม่น้ำมันโค้งลื่นไปเรื่อยเรื่อยแลกจะเจริญเรื่อยเรื่องแต่หน้าแค่อิทธิบาททั้งสี่เป็นราคฐานทังของทำจะเจริญเรื่อยเรื่องได้ทั่วทั้งกายโลกต่าและทั่วทั้งดวงจิตดวงใจของเรากายวาจาของเราต้องอาศัยอิทธิบาทเป็นของทั้งข สมาธิก็ดีเราพึงทราบมาจะเกิดขึ้นมาโ ด, ดยอิทธิบาทนี้ปัญญาพารมีอิทธิบาททั้งสีนี้แล้วก็จะเป็นปัญญาที่เฉลียใช่เหินสามารถตอบพร้อมจนทั้งเต็มให้เติ้นจากคืุฑไปไม่ได้อีกเต้นเรียวแตเพราะเดก คำว่าปัญญาก็สมเกลียนอยู่แล้วเกิดายจึงต้องอาศัยอิธิบาททั้งสี่ใครที่มาทั้ง 4, ง4น่นี้มีทำหลายข้อเรียกันใ่้จึงเป็นธรรมที่มีสำลังทอาใจมนการข้นการทิ้งทุกแรงงานพยายามที่จะ้องพิแารณาประกอบดูเหตุผลไสม เอาใจปักใส่ไข่ต่อความคิดในเมื่อสิ่งใดที่มาสัมผัสหรือไดยประทบเหตุการ์ต่างๆไม่ละวางในทางความข้าความเพียนเรือความปักใส่ที่จะต้องคิดเจริาในสิ่งที่มาสัมผัสหรือเหตุการณ์นั้นๆให้เห็นแก่แจ้งด้วยปัญญาก็รวมนั่ในปัญญาที่จะเดินไปก็ ความถ น, านาดและคอบเป็นกำลับใจเรามาบวชในพระศาสนาเพิ่งทำหนึงถึงแนวทางของเองค์สมเด็จพระภมิกระชาจากรและสาวกคือ ท, ท่านได้ดำเนินไปแล้วพอดีได้ฟังสอนพวกเราทั้งหลายแล้วแล้วก็ดีให้นักกว่ า, า, าเรื่องใดๆทั้งนั้น เราเห็นเรื่องของเราว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องธรรมะคือแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเรื่องธรรมะแห่งพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องลิ้นมันก็สำคัญเรื่องปากมันก็สำคัญเรื่องท้องมันก็สำคัญ เรื่องการหลับการนอนการขี้เกียจที้แพ้มันก็สำคัญเรื่องการเห็นแต่ตัวมันก็สําคัญทุกทุกสิ่งที่เป็นใจเครียที่เหลือกันหาจะครอบถึงหัวใจของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราและจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นตามความนั้นเมื่อเราไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของสําคัญแล้วก็ในเรื่องของเราสำคัญขึ้นกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ผู้นั้นจะเอาตัวรอดไป ไ, ไน่ได้ จ่เป็นที่เริ่มเต็นแม้ยังไม่ตายก็เป็นเป็นหมดค่าหมดราคาไม่มีคุณค่าในตัวทั้งตัวแม่แต่เราแค่เท่านั้นเราเป็นลูกจิตพระพุทธะแสดเห็นว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นสมเมตตาสั่งสอนไว้ทุกทุกข้อ ว่าเป็นสมบัติเพื่อเราจะผู้จะเป็นผู้รับไม่เพื่อถือเอาเองไา้และเพื่อประโยชน์สมบัติอีกเพื่อเพื่อผู้ใดมีความเข้าใจนี้ผู้นั้นเองจะเป็นผู้เจริญในพระศาสน า, าจะเป็นผู้สามารถยืดฟื้นพระศาสน า, าให้เติมรุ่งเดือยภายในจิตใจของตนได้ แต่เจริญยุ่งเหยิงแต่ไปแพาเป็นทั้งหลายให้เขาได้นับที่อ ย, อยากัติมด้วยคือว่าเต็มพูดทำหน้าที่แทนแทนสำเร็จก็ทุท่มก็ภาคเจ้าแล้วสาบกทั้งหลายหน้าอย่างเต็มที่ขอให้พากันพิจารณาคำว่า น, นักอวดนี้นั้น เป็นที่เติมทุนแล้วในหน้าที่ทำ ง, งานที่เกี่ยวกับการจัดเท่ดทูงง น, ะะน เ, ท เ, ท เ, เพื่จอจัดต้งงาและต่ลื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากเรื่องลึกคือแบกหนี้เดือดตั้งหนาเพราาความไม่เขาบอกบังยาเธอตัวั้งเอาขึ้นมาสู่ความเจริสตังง้ขึ้นมาเป็น ก็มีข้วอวัดอปิบัติอันดีมาเราจะเป็นไปก่ความรุ่งเืความที่อธิมาเลยว่าขืนก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเราอยากเนว่าอำ น, นาจที่ของใคร นอกจากว่าจะเป็นหน้าที่ของเราคนเดียนซพ่งเติมผู้มุ่งจาความทุกข์ทึกข์ในมะตติสองสามก็ต้องอาศัยสีนสมาธิปัญญาเพื่อทำเคลื่อนแปรเสมอไปภาคาจะทำทั้งสามเจ้าเพร่ อ, อ น, นี้แหลจะเตินไปเพื่อความตมหวังไม่ได้เมื่อเป็นเื่นนั้นสีสมาธิปัญญาเพื่อเติมหน้าที่ของเราทุกทุกข์ จะต้องพยายามบำรึงให้สมบุรขึ้นภายในกายวาจาใจัองเรบถุงท่านเมหลายได้ทราบเลยว่ารักษาอย่างไรเป็นสิ่งเราก็เคยรักษาตั้งแต่วันเดียวกันมาธิคือความสงบใจเราั้งงกาแได้่าง เมืเเ่าพยายามระคันใจของตนให้สงบอออแล้วคำว่าสมาธิมีหลายท่านรู้แปลได้หลายหมายแปลว่าความมั่นคงก็ได้หรือแปลว่าความมุ่งมั่นก็ได้ ตามแต่ขันของจิตที่ติมใจในทางสมาธิวิธอการที่จะทำใจให้ติมใจในทางสมาธิอีกนทันอาทิมาไม่หลายหน่การบริกรรมภาวนาด้วยบทพุ ท, ธทโธธรรมโสงสงิ์หรือกเหนดลมหายใจผ้าออกเติมอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องันกัดภกษา ไ ม, ดดม่ตั้งเคอจากบททำนั้นนั้นให้จิตโดยอาศัยบททำนั้นนั้นเป็นเคื่องบริกรรมอยู่ตลอดเวลาจิตเมือ่อไม่มีหน้าที่อื่นทำมีเฉพาะการบริกรรมบททำเป็นเครื่องกําขัดอยู่แล้วจะเติมเต็าามเท่าความเฉกวาจะจากความเพลินานุ่นายขึ้เนเคยจนหมด เมื่อมีความสงบแล้วต้องมีความสุขแค่ความสุขเป็นผลเกิดขึ้นจากความสงบความเงบเป็นผลเกิดขึ้นจากการเกิดธรรมคือธรรมความริสุทนี่เป็นเหือเป็นผลจากข้าต่ันมาเป็นลำดับลำดับอย่างนี้ผู้ใดเป็นผู้มีความหุ่งเป็นผู้มีความใช่ต่อการทําสมาธิต่อความสงบเนี้ย เึิงคือจิตที่ราภวนาเนี่เป็นของส้ำคัญ น, นั่งอยู่ที่ไหนก็ตามในอุญญาบหทั้ง4แม้ที่สุดไปบินขมาบไม่ยอมปล่อยวางจิตใจให้ต่งไปตามอารมณ์ต่างๆมีความมุ่งมั่นอยู่กับธรรมบุิกรรมภาวน า, นาหรือพิจารณาในสัะธรรม ตามขั้นของจิรั้งเต็มที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมลดละและไม่ยอมให้ทั้งเผอนับตั้งแต่ตาออกจากสลากไปถึงหมู่บ้านแล้วตากลับมาถึงสลากมีความเผออี่ครั้งผู้ที่มีความสนใจเพินงขนาดนี้ต้องรู้ทีเดียวว่าจดทั้งเราได้เผอไปกี่ครั้ง นี่ผูนี้เองเป็นผู้ที่จะสามารถทําสมาธิ ค, คือความสงบใจให้เกิดขึ้นได้และเป็นผู้ที่จะสามารถทาปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในลําดับต่อไปได้อีกขึ้นมเดียวกันแค่ตารที่จะทําศีลให้เป็นไปเพื่อดีสมาธิให้เป็นไปเพือดี ปัญญาให้เป็นไปสติคึณทราบมาออกจากลักษาอิทธิบาทซึ่งได้อธิบายมาแล้วทั้งสิ้นท่าท่าอิทธิบาททั้งสีนี่แล้วทำอันใดก็ตามเมื่เป็นขึ้นเป็นอนเแม้แต่ผลึกก็ไม่สมบูรณ์หลักของสีต้องเป็นต่เรื่องอิทธิบาทหลักของสมาธิแคต้องเป็นต่เรื่องอิทธิบาทหลักของปัญญาจะแท้กำเนิดต้องอาศัยอิทธิบาทซึ่งเป็นธรรม ลายข้ารวมกันข้าแล้วเป็นเหตุหจะทำปัญญาให้มีกำลังค้าขึ้นพู้ที่มีความพยายามทำจิตทั้งตนให้เป็นแต่สมาธิโดยทางอีกทีบาทแล้วจะเป็นผู้สามารถทำปัญญาให้เปี่ยนเรื่งขึ้นในอันดับต่อไปได้เึื่อนเดียวกันกับทางสมาธิ สมาธิคือความตั้งมใจผ่าใจมันตั้งมไม่ได้เติมเพื่มมั่นไของส้นค่อดูหลักฐานที่มันไม่ตั้งมหรือเหตุที่มันไม่ไม่ตั้งมั่นเติมก็มีได้ดูให้มันชัดทัตุเป็นของสาคัญคำว่ารปเกาอกต่อดูเหอดการ คือจุตเติมเตี่ยความฟุ้งซานั้นเติมเตาอย่างไรเติมปตาเห้หมดหมดมีอะไรเป็นตัวเหตุให้ใจฟุ้งซ่านหรื่เปล่าต้องค้ดูไปอย่างนี้นักปฏิบัติแน้ต้องทาอย่างนี้ไม่ต้องคาดภุระในหน้าที่อยู่ของตนทือจุดใจมอบใบกับพ่อาติเพื่เกินพกพกึ้นในแต่ใจทั้งสี่คือดินข้าวบ่ะเตอนานนะ ที่ล า, น, า, านัทเภสัชตั้งแต่ยาเสพติดทีวอร์เครื่องมือเงมากให้กับชาวม้านเท่นั้นแต่เรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องกัญญาก็ดีซึ่งเป็นทางหลุดเพิ่มจากที่หลวงาสวะให้ถือว่าเป็นกิตของตนเองตลอดปียาบิและตลอดลันคาด้วยอย่าท้อถอย อย่างไรจะเป็นไปเพืความสงบจิตจะเหนืออำนาจของสติปัญญาหรือของเราไปไม่ได้แรงสำเร็จพระภูมิพระภาคเจ้าคดีสามบมกคเมื่อพระกฎดับเป็นที่เบื่อจิตที่โธตั้งแต่วันพรเองเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกครอบออกมาจากท้องแมเป็นคนมีชื่อปัญหาชื่อเรียกับเราทั้งนั้นเมาชุดเอิ้นชุดนามาทำเต้นสาทําบ้านทําเดือนทำซาราขึ้นในนั่งอยู่ในบัดนี้ ไม่ได้สำเร็จรูกมาทีเดียวจากตาสําเร็จขึ้นมาจากทางกระทาของในท่องับพค่นล้มลงแล้วตับพ่นตับกลายเค้นาก็ผ่าเลื่นเลือกลือดลวงมส่กดลบเตี้มคร้งทั้งความลงน้ำรักก็ต้งองเงินคะทำเป็นต้นเป็นเสาเป็นขือเป็น แฝื้อหรือเปนกนานบาดฟ้าและแต่ในท่องจะคําเอาตามความต้องการและความฉลาดของตนไม้ก็ต้งแฝรูปไปตามเรื่องของในท่านก็เหนือในท่านใจไม่ไากเทที่ตึกเพื่อสําเร็จเป็นบ้านจะเนยวนเป็นตึก เ, เป็นห้างเตมทัว่าลงคทำอย่างไรนั่งอยู่ในแบบนี้เพงทราบว่าเมื่อสำเร็จมาได้ไม้ทั้งเทม ทั้งกลีบก้าขาขาทั้งรากแก้ววากอกําเนกขึ้นจากแนวชั่งึ้นมีความฉลาดสามากถแปรลูกมหะทั้งหลายนั้นให้มาเป็นขลาดขึ้นมาข้อนี้ก็เป็นชาติฐ า, านั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าที่แรกท่านก็เป็นไม้ต้นหนึ่งสามาวยก็เทียบกับไม้ต้นหนึ่งเหมือนกัน แต่พระองค์ก็เป็นในท่านสาวกก็เะ็นในท่างขอแม่ติวเจริญในพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีจิตมีสมาธิมีสัญญาขึ้นมาจนกายขึ้นเป็นศาสตาเอกสอนพระองและสองโลกข้างหลายซึ่งเราทั้งหลายได้ทราบว่าอยู่ในแบบนี้สาวกแค่เป็นขั้นเดียวกันนั้นเราเึงนยศเอาพระพุทธเจ้าและสาวกเข้ามาเป็นแบบข้าบับ หรือเป็นกำมังคัดขนของขลับคำที่ว่าพุทธังคามังตั้งทางตังทางระดขันนี้ไม่ไดหมายถึงว่าการที่ด้วยความพรทกราบว่าสังเกตสังเกตแล้วได้สำเร็จประกยชน์เพียเท่านั้นการถึงธรนักยังมีหลายชั้นชั้นที่กามานเรานีเป็นชั้นหนึ่งชั้นของพวกเราเป็นชั้นหนึ่งกราบด้วยความสนิท ติดใจด้วยด้วยความเือพระพุธทธเจ้าจะทำพระสมาเป็นแบบพบัตเป็นคู่ชีวิตหรือเหนือชีวิตแลงชีวิตของเราด้วยได้ขออแบบพระองค์เจ้ามาดาเนนามเราในบัตรนี้ก็เป็นมทั้งต้นเหมือนกันได้อาศัยคืค่มือจากพระพุทธเจ้ามาปรยไห มาเป็นเลือมาเป็นผิวเป็น้ันเต็มมือเา็มําหนักงฟาดปันรู้ด้วยไหมสายตัดในตูดของหนอนให้ปลาติดแตออกมาเป็นฝีที่บริสุทธิ์โตออกมาเป็นสมาธิคือความตังหนัเต็มขั้นชั้นของสมาธิโตออกมาเป็นกัญญาเต็มชั้นชั้นของกัญญา แต่นนั้นก็จะสาเร็จปรเโยชนอย่างเต็มที่ขึ้นอย่างเต็มม่านเต็มเดือนเพื่อกปับธรรมะนี้จะสําเร็จปรเโยชขึ้นมาความแนวทางแห่งธรรมแล้วพระองค์ก็ตรงแปลได้ว่าสําเร็จเป็นพระเสดาจตาสำเร็จเป็นพระกสิทธาธาสําเร็จเป็นพระอนาธะสําเร็จเป็นพระรหันมอเที่ยงกันกัด ร้าร้านหรือศาราลงทั้ที่ได้รวมพัฒน์สมทะแล้วาเร็จลูกขึ้นมางับนี้มี่ก็เพราะรวมแห่งคุณธรรมทั้งหลายที่เราไดอเินในไละอาศัยขึ้นมาจากพระพุทธเจ้ามาเจอในตัวของเราให้กำหนดต้นสืบต้นสมาธิปุณสัญญายขึ้นมาจงสามารถากลายเป็นลุ่มพุทโธขึ้นมาที่หัวใจั้ในในงหราเติมอันว่าผมวามุม่งมาตราขณา าเป็นบ้านก็เป็นเป็นที่เส้นเดือนก็เป็นเป็นที่เส้นห้างเป็นหอก็เป็นเป็นที่เต็มดินนุษย์เป็นพันธุ์พันก็เป็นเป็นที่ขึ้นที่สิตใจทั้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายเต็มกำเนิดือทของเราดีเหมอว่าเราก็เป็นคนหนึ่งแช่นขึ้นนิพพิโรฒเส้นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเช้นนัะเส่นเดียวกับเอาไม่ใช่นิพพิโรฒก็น เครื่องภาพเอาไปเสียโดยแต่จะจัดเหยื่อผลผลการธรรมะเมืไหร่เนื้แต่บ้านเรือนต้องต้องอาศัยเหยื่ึผลิตเราอาศัยเราทำเขาขึ้นตูขึ้นบ้านเรือนจึงจะปรากฏเป็นที่ขึ้นเป็นที่อาศัยของเราด้วยความสะดวกสบายสบาบจิตใจต้องให้เป็นไปด้วยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความบริสุทให้เป็นไปด้วยความสมายก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้ก่อสร้างสร้างขึ้นหนัดแรงแต่งจิตใจของเรา ฟ้กาก็หยุดใจของเราให้หมดสิ้นเป็นน้ำหนักหายเริ่มมาตั้งแต่ศีลเริ่มมาตั้งแต่สมาธิสมาธิคือความมั่นคงของใจทางกระทำความเปลี่ยนก็มั่นคงเดินจงกรมก็มั่นคงด้วยสตินั่งสมาธิก็มั่นคงด้วยสติกตัญญา นานก็มั่นคงเอือแบบทั้งสี่มั่นคงด้วยคติด้วยปัญญาด้วยความภาคความเพียรนี่ก็จกัดรอบเป็นสเสมอมาจากสมาธิคือความมั่นคงทำอะไรไม่วอกแล็สคอนเรินต่อจากนี้ก็เป็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแน่นหนาของใจไม่เอื่อเอียงไม่วอกเล็กคอนเกิน อันเป็นผลขึ้นมามาจากสมาธิในเบ้ ง, ต, งต้นขึ้นก้าวแล้วนับมนึ่งเต้นผลขึ้นมาให้เราได้มีความเลือกเยนภายในจิตใจเมื่อมีเต้นซุนคือสมาธิได้รับความเรียกเย็นแล้วพยายามฝึกคน้นโดยทางกัญญาคือดในสภาวะซึ่งมีอยู่รอบตัวของเราอันให้ชื่อว่าร่างกายอันนี้ ฟังจากภายนอกคือผิวหนังข้าวใจจนกระทั่งถึงภายในหรือให้เห็นจุดขึ้นหาให้กังซึ่งซ่อมอยู่ที่ไหนประสาดตัวอยู่ทั้งกลงวันกลางคืนมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ในตัวของเหล่านี้แม้ที่จุดเจตสิกกรรมที่ปรุงอยู่ทีรร่จิตแทๆมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้คือความไม่เที่ยงนั่นภายนากมันก็แปร ى, นอกคือร่างกายภายในยทีอเจตสิกกรรมมันก็เปลี่ย เมตตาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉ อ, ม, เอมันแปรทั้งนั้นสัญญามันก็แปรสังขารมันก็แปรวิญญาณมันก็แปรเมื่อพี่เป็นนาเด็ดปัญญาแล้วเราจะเห็นอมิจังครับในตัวของเรามางไปข้างน้ามันก็เส้นเดียวกันเมื่อปัญญาของเรามันทําเครื่องทีกับเกิดการซึ่งมีอยู่ในตัวขหงเราแล้วเมางไปที่ไหนก็เจะทำอมิจังคิดถึงให้นมตาประกาศลั่นเลกกระทากอยู่ มีบอกกล้องมีความตระหลักเมื่อไหนเมื่อไรเริ่มด้วยเส้นนี้ให้เอนมาให้เห็นชัดอย่างนี้โดยัรญมชาติคิดถังมันดูยู่กลับเวลาใครมีความจิตใจเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันเป็นเพราความคิดบูกบ้านบุกเรือนามเรินพยาบาลบุกฝาเรือนฝาลาหาดุหายามาเพื่ออะไร ก่อนที่เราจะแกไขทุกหรือบำมัดทุกที่มันจแบงอยู่ตลอดเวลาในตัวพวกเราเองนั่นอานาตามันเพื่อฟังคาของใครว่าใครจะว่าขันตงหญิงใครจะว่าขันตนชายขันตนพระขันตนพญาขันตนศุนทเป็นหลวงขันตนพระตนเมรุธรรมชาติอนั้นไม่ฟังใครทั้งนั้นกระตาเป็นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคือไม่ไม่ใช่ใครทั้งนั้นอี่อานาตามนินาให้มันแค่ตัปัญญาอย่างนี้ล้อ มันจะไม่เห็นกระแสทั้งสิตที่เป็นสาคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายได้อย่างไรเล่าเมื่อเห็นแทแล้วมันก็ต้องปล่วางทั้งภายนอกก็ต้องปล่วาด้วยปัญญาภายนอกหมายถึงนเสียงกล่เนเล็บเสงสัมซึ่งเปที่เะลองด้วยหลุดตาฟัให้หลงแต่ตามเมื่อได้เห็น แ, แท้แร้จิตจะพาว่าทั้ง ห, าหลายเหล่านั้นก็เม่ได้เป็นของแรงลวง ผลที่สุดก็คือหัวใจของตนเองคิดหลอกลวงตนืองโดยไม่รู้สึกเมื่อวนนี้สิงทั้งหลายเหล่านั้นตามไปจริงแน่ก็มาเห็นกระแสทั้งใจทั้งตนต่งเต้นขหลอกลวงแล้วจะหลอกลวงตนจะได้อย่างไรน่ะในเมื่อปัญญาได้ท่นทานคืนนั้นแล้วก็เริมเข้ามาเท่านั้นเองเมื่อมาที่เตนานจมาังร่างกายว่าอะไรลเล็เป็นเราหนังหรือเป็นเรา ผมขนเนื้อตันเนื้อเอก็ดูเหมือนเป็นเราเอาเว้ล้ทั้งหมดที่เหมือเนเราดูที่ไหยมันก็มีตั้งแต่กองอ น, นี่จังทุกขังราคาหาเราที่ไหนอยู่นี้ไม่ไ ม, ไม่มันไม่มีนี่ดูเรื่องกัญญาดูหลังออกจากนรกคนก็ไปดูถึนนงแม่ขขอเฮตนาคือความถูกความพุทธความเจ๋อเจ๋อเส้นหนึ่งก็จัดเป็นอยู่ตลอดเวลาลวันนี้หรือเป็นเรามันก็อันเดียวกันอีกไม่ใช่เราตั้งนั้นสัญญาจำได้มากได้น้อย จำมาตั้งแต่วันไหนมันจำได้เท่าไรมันก็ดับไปเท่าที่จำได้นั้นไม่มีมีอะไรเหลือหรอเมื่อต้องกลางก็ตื่นขึ้นมาจําใหม่ดับไปอยู่อย่างนั้นนื่มันก็เตือนใจว่าสิ่งนี้อันนี้กลางพลุขอางอนาปะของความความเปล่งก็เหมือนกันเปล่งเท่าไรมันก็ดับมันแสดงความไม่เที่ยงถ้าหลงตามมันก็เป็นพลุแค่ขั้งขนางนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนาตาเท่านั้นลุญยามก็เช่นเดียวกันเหมือนชัดแยแสแจ้งจำไมกจริงไม่จริงแบบนี้แล้ อัญญาก็าไมมีความเสลี VII ่ยศาสนาตามขั้นใจจนกระทั่งถึงหลักเงาหลักฐานซึ่งเป็นบอกตัวแห่งลูปกายและเป็นประธานที่เกิดในพนาปัญญาตั้งฐานอิงยานคือที่ไหนละคืออะไรมันก็จะไปเห็นหัวใจซึ่งเป็นดวงอวิชชาซึ่งเป็นอวิชาเป็นอยู่ในที่นั้นอะไรละเป็นอวิชชาผูอรู้ที่เต็มไปด้วยความหลงในตเองอวิชชา ความรู้ที่โผล่ออกมาตัเป็นี่เองทเรีว่อริชาความรู้ที่หลงตัวเองนี่เองที่เรียกว่าอริชานี่แหละบอ่อเกิดคือที่นี่ เ, เกิดรูปก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดเพื่นาตั้งยาวตั้งขางบุญญามันก็เกิดขึ้นจากที่นี่เกิดความหลงในรูปมีเสียงในกลิ่นในรสในเื่องสัมผัสตั้งโลกธาตมันก็เกิดขึ้นจากบ่ออริชาอืมเมื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเติมเห็นแทบในเรื่องของอริชาคืออะไรก็คือความรู้รู้อันนี้เองรู้อันนี้มันเป็นอะไรอีกพ่อ เปลืทั้งหลายเราจะได้เห็นชัดด้วยปัญญานแล้วว่ามันเป็นอนุีังทุกข์องหน้าตาความรู้อนุี้เป็นอะไรอีกล่ะมันก็ไม่เป็นตรายรักแตเป็นอะไรเบให้มันเห็นแคดอีกท่เจ้าหลอกลวงเนี่ยมันคืออะไรมันก็เตลิดแล้วท่านเองแต่เราก็เข้าใจว่าเราจึงไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาสภาพนี้ให้เห็นแบบเป็นตรายรักที่ละเอียดที่สุดแ้่ธรรมชาตินี่เป็นตรลยรักส่วนละเอียดที่สุด ไม่ใช่เป็ น, อนอส่วนยาส่วนกลางเหมือนอย่างสภาวะที่เป็นาสารทั้งหลา ย, ท, ยาไไทั่วไปเนื้อวราได้พิจารนาให้มันเห็นแค่ตามเป็นจริงอีกความรู้ที่เป็นเจ้าเหตุอันนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้ในเมื่อปัญญาได้เพียงพอแล้วโดยนี้เขาทำเป็นมายาของความรู้ประเภทนี้แล้วความรู้นี้ก็ต้องแปรกรเดินไปอีกเหมือนกันไม่มีอันใดเหลื อ, อเมื่อความรู้อันนี้ได้แตรกระเดินลงไปเพราะอํานาจ ข, ของอดีตปัญญา น, นั่นแหละนั่นแหละ เราจึงจะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งถืออวิชาาประจิไว้เมื่ออวิชชาได้เติดเผลออกแล้วก็จะได้ทราบเกิธรรมชาติอันนั้นว่าเป็นของอาจารย์มีอยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบในประจักจ์ประจักืก์องเรื่องปัญญาทั้งหมดนี่เราจึงจเหมดปัญหาถึงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี ตามเสื่อมลาไปถึงจุดนั้นออืที่เด็ดปัญหาอาสร ะ, ะก็จะเรบกวนลราไปถึงเพียงแค่นี้เท่านั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วความเลอะความเกิดความหลงก็เหมดฤทลุ์หมดอำนาจเหนือว่าศาสนาวับประสงสารก็เหนืออำนาจศาสนาจะไม่สามารถทาเราให้หมุนเวียนต่อไปอีกได้เลยขันห้าทะเลกราวเป็นขันเลื่อนลวนไม่เด็ดปัญหาอักสะวะแต่อย่างไร หรืงจะมาที่ปัญญาก็ทราบทาพภาพเป็เครื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราอีกเพียมเติจึงเป็นอันว่ารู้ตามเป็นจริงเรียกว่ารู้เท่าเหตุรู้เท่าเหอย่างเต็แก้งแลปล่อยวางได้ตามเป็นจริงรู้ถทาเหตุทือรู้เท่าเหอุของทุกด้วยเธอแทนทุกคืออะไรรือต้มหมี่ครย ตามตันหาเพราะว่าตันหายุทะวิทธวตันหาเติมเติมรู้เหกว่าเหตุแห่งทุกรู้เท่าเดืวดเหอแหงสุกคืออะไรสีนสมาธิตัญญารู้เท่าเดือดรู้เท่าคืออะไรคดที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่งทุกข์นั้นก็รู้เท่าผเทื่เกิดขึ้นจากเธอทงสึกคือสีนสมาธิตัญญานี่กลายเป็นเรื่องของมีเรตขึ้นมมาก็รู้เท่าอะไรล่ะ ทื่น อ, อกจากพุทธศาสนาไทย เ, เ, ยทยเทยี่โลดนกมันมีอะไรใครเป็นผู้รู้ว่าเมื่อพุทธมื่อศสนาไทยนี่ไม่โลดที่นอกและใครเป็นผู้รู้ว่าพุทธกลับไปแล้วอะไรผู้นั้นแหละเป็นคำวิวัตินอกจากสคาถาทั้งหลายที่ออกล่าวมาแล้วนีน้ทั้งหมดธรรมชาติอันนั้น เป็นเป็นตายตูวเดินพัดทั้งกางวั ง, งกลางคืนพระสิ่งกำบังทั้งหาลายไม่ถูกทาลายแต่กระจัดจายไปหมดเลยเช่นเดียวกันกับพระอาะทิตย์ที่ากกะจัดเมื่อกำบังแล้วอมแสงส่งแสง ส, ส, ง ส, งสว่างได้เป็นที่เนั้นเรื่องของดงใจที่เป็น ภาด้วยความมารดุเตนที่ราจะจากสิ่งที่มาสกุลัมบางทื่เกิดปัญหาอสวะทั้งหยากทั้งกล า, างทั้งเดียดหนดแล้ธรรมชาตินั้นจึงปราศตัวขึ้นมาอย่างเต็นที่ที่เรียกว่าพุดโผล่แทนงคุดโผล่ที่แท้จริงแทนงคุดเผล่ที่บริสุทธิ์แห่ธรรมโมที่อัตจรรยอย่างแท้จริงภายในความรู้อันนั้น เป็นสังโคที่แท้จิงคือเป็นเจ้าของนัดหรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะอัตธรรมะนันภายในจิตใจทั้งหมดวัดประจกักษทรเป็นอันว่าได้ยุติกันลงแล้วในขณะที่ พ, ทททพุพธาาทธ ะ, ะที่บริสุทธิ์นี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาองต้นเบกเพาปูมีพระภาคเจ้าทาในตัดสินกันบวัดประจักษ์ทั้งหลายได้ตัดสินกันในคืนเดือนสิบ เราจะไปตัดสุนกันวันไหนหรือจะให้แต่ความขี้เกียจขี้ร้าอนตัดสินเอาทุวันนั่นเลยหรือจะให้เห็นแต่ความขี้เกียจนอนตืน่นสายตัดสินเอาทุกวันนี้นเลยถ้าเราไม่ต้องการให้สิ่งไหนนี้ตัดสินเราก็ต้องพยายามทํำตัวของเรา ให้เป็นพื้แม่สนิตกับศีนจะมาที่ปัญญาทั้งวันทั้งคืนดีเดยแน่นอนเราก็จะปารากฏธรรมดังนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยําทั้งหลายที่ได้อธิบายมาวันนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่ากพงทราบว่ามือนอกเนื้แไปจับตัวข้างนอา ทำทั้งหมดนี้แสดงถึงเรื่องของเราทัางนั้นทั้งฝ่ายชั่วก็มีอยู่กับตัวของเราทั้งฝ่ายดีที่จะแก้ความชั่วนั้นก็มีอยู่กับตัวทั้งนั้นทั้งผ็นห่งความดีที่แะเกิดขึ้นจากการแก้ไขเ่ยวกับชั่วนั้นได้แล้วก็แสก้ยมุตทพนิพพานก็เป็นเรื่องของเราเรื่องนวน หาลาเป็นผู้เหนื่อยหน่ายแม่ทั้งเกิดแก่เกิดตายทั้งท่ำทัาแท้ที่แล้วแต่งพยายามทำคุณงามความดีอบรมสจสมาธิปัญญาคติกับปัญญาอย่าให้ห่างจากสิดร้าให่างจากอารมณ์ที่เกิดขัดใจของตนเองอารมณ์นี้เป็นตัวเหตุการสาคัญเป็นตัวตอกเหตุสาคัญาติกับปัญญาเป็นตัวที่จะวิ่งไถ่ า, ามแก้ไขเหือการเหล่านี้ให เกิดขึ้นในใจว่าเราเนทําที่บริสร์ตขึ้นมาภายในใจการเจาะความภาความเพียรวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เป็นของยากลําบากเหมือนอย่างเราท่องเทื่อวเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่รู้ ก, กี่กับกี่ปันเป็นความทุกข์ความทรมานยากแสนสาหัสสิ่งเหล่านั้นยากที่สุดลําบากที่สุด การประกอบคำเคือคเนเพืรอหรือถอนเติมออกกับทุกเมื่เป็นของยากถึงขนาดนั้นจึงควรที่เราทั้งหลายจะมีแต่แจิตแต่กายบำเพ็ญตนทั้งตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนอยูอต่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นะยยนโยชดแส่ลูกแก่จุลสาาพวกเราทั้งหลายไม่สามารถทำตัวให้เริ่มเย็นได้แล้วน่าจะขึ้นใครล้ว เราพึ้นเราไม่ได้แล้วเลกจะมาพึ่งเราได้อย่างไรเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นที่เย็นเด็นสํานับเราเป็นที่พึ่งเราได้แล้วโลกก็พึ่งเราได้เป็นที่เย็นเยินเป็นสุดได้เขาให้ทานมาเล็กน้อยก็เป็นสุมากแค่เหนใดเพราะเป็นเนื้อนาที่เบลสุดเป็นเนื้อนาที่เต็นไปด้วยปุ๋ย เป็นเนื้อที่อันดีที่สุดเนื้อที่ของเราคืออะไรคือสีสุสมาทิปัญญาวิมุตติพุทธะของภากันตั้งอกตั้งจใจเพื่อเกาะความภาคความเพีย ร, รให้เห็นว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่โต ท, ที่สุดกว่าเรื่องของไข่ไข่ เน้จะนั่งรวมกันอยู่นี้ก็ได้แต่แท่านมาท่านให้เห็นว่าเรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องสําคัญเราเป็นส่วนก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาจึงพยายามดูเหตผลในเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามระงับเรื่องของตนให้ได้ mm hmm. เมื่อระงับเรื่องของตนได้แล้วเมโลกจะเป็นไป ด, ด้ดยวยความเจริญร mm ุ่งเรืองวันนี้ดะอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาและอิธิบาตทั้งสี่เึ่อนเป็นทำรากฐานของพระศักดิ์สิทธิให้บรรดาท่าทั้งหลายได้ฟังแผ่แลวทากันตั้องอดต้องใจมีความเคลืนแข็งต่อความภาคควาเพียรอย่าทำจนจนจนถอนออก้ยาม ดำิงสติปันญาให้แน่นซึ้งดูกับตัวดูกับใจอย่างไรเรื่องผลที่จะเป็นได้รับตามที่ดกล่าวไว้แล้วจะไม่เป็นสมบัติของข้อทำว่าอาการเโศกที่พระองค์เจ้าดวงกล่าวไว้นั้นคือผลแห่งทมดีนั่นเองและในขณะเมียอกันก็ผลเป็นผลแห่งความชั่วด้วย เมื่อทำเหตุเชื่อเรื่ลงกายผลต้องเ่ว่อทำเหตุดีลรื่องกาผลต้องดีตลอดกาลเพราะฉะนั้นคำว่ากายดีจริงได้ในผลทั้งสองก็จนิ้ผลดีดีอะไรดีตั้งแต่เต้นจนถึงดีสุดยอดไม่เหนือไปจากตัวของเหราที่ทำเรื่องมื่อผลมีความแล้ว เราบัจจิตภางนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งเป็นตัวอวัยวะสัตว์ อ, อ, อวัอยวะสัตว์คืออะไรคุดขมไทัยเม็ดนะนี่เต็มไปด้วย ม, มรรคุณทานเนี่ยที่กล่าวมาทั้งทำทั้งสีขนคึดไม่แต่ตัวของเราเป็นคุาขมไทยคือเราเองเป็นเป็นฝั่งส่วนที่ขึ้นมานเมื่อเรกดหรือนะ คือที่จะแจกพึกขกคือเรื่องของหนาใเพระเพราะอำนาจแห่งมรรคไม่แก้ทุกข์ดัแบแต่แล้วก็ปรากสนมิโลดคือที่รู้ว่าทุดั้นนั้นคืออะไรนั่นเลยท่านเรียกว่าบริสุทธิ์พุทโธผูนั้นเองพรพุเจ้าท่านได้ทําย่งนั้นท่านเป็นศาสดาของเลกแบบเอ็มศาสตาาขงท่ามแบ ท่านพ้นจากโลกบาปท่านพ้นเพราะท่านเนพู้ชิูอเกับทั้งสี่นันเอและท่านก็เมืเหเนี่ยเอเดียก็จะทำทั้งสี่ด้วยดูเขาทั้งเหี้ยดูเหี้ชื่อผลดีผลเชื่อแต่รางแล้ตามจนสิขอให้มันลาท่านทั้งหลายเลยชิลูพี่แจงนำคนจนให้ปลอให้เป็นประ ให้เกิดสิ่งที่ระเบิดขึ้และระเบิดมาไงกาสำคัญการแสดงธรรมะเพื่อสงฆ์ยินขอที่สิเปลี่ยนแปลครความสลับบูมของคนจกงมีเกิดออกมา